เรืงนเตียตัวตายเนี่ยมันมันต้องเตียงทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงวัยเพราะว่าคนเราเนี่ยอายุแค่ไหนเท่าไหร่ก็มีมีสิทธิ์ตายได้ทั้งนั้นนะใช่ไหมบางคนก็ตายตั้งแต่ยังอายุได้ไม่กี่ขวบบางคนอาจจะท้องแม่มาได้ไม่กี่วันก็ตาย บางคนก็ตายเนี่ยยังเป็นหมุเป็นสาวนะเป็นแต่ว่าคนที่อายุมากเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยความตายมันมีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้ภายในเร็ววันนะภายในเลววันนี่ก็อาจจะหมายถึงห้าปีสิบปีแต่บางทีก็ยี่สิบปีก็ได้เพราะบางคนก็อายุถึงร้อยนะแต่ว่าไม่ว่ามันจะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยใกล้หรือไกลเราไม่รู้น้่งเตรียมตัวเสมอจริงๆเนี่ยการความตายเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นการสอบไล่นะเป็นการสอบไล่พวกเรานี่เคยสอบไล่มาอ่า หลายครั้งนะใช่ไหมเรียนโรงเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็สอบทุกปีอ่ะบางคนก็เรียนถึงมัธยมบางคนก็เรียนถึงหมหาลายัยก็สอบทุกปีนะแต่ละปีเราเรียกว่าสอบไล่แต่ว่าสอบไล่ที่เราผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สําคัญมากถกับสอบไล่ในวันสุดท้ายของชีวิต เดิมพันสูงมากนะเพราะว่าถ้าสอบตกนะก็คือตกเลยตกไปไหนตกไปอบายนะไอสอบตกในโรงเรียนนะมันไม่ได้สอบตกจริงนะมันแค่ซ้ำชั้นใช่ไหมเพื่อนไปแล้วป .4 ไอเรายังอยู่ป .3 เนี่ซ้ำชั้นอันนี้ไม่ตกหรอก มันอยู่ที่เดิมแต่ว่าทบสอบไล่ในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันตกนะถ้าไม่ได้ต ก, <c oughs> ตกไปอบายรู้จักอบายปะนรกมัง่งสุรกายมึง่งเปรตมัง่งเดรัจฉานมั่งนี่แหละอบายแต่ทดสอบได้ก็ไปสุขติสอบไล่ ในวันสุดทางชีวิตเนี่ย ม, มเหมือนกับสอบไล่ที่อื่นอีกอันหนึ่งคือว่าไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าจะสอบเมื่อไหร่ใช่ไหมสอบไล่โรงเรียนผู้ทรงวุฒินี่มีบอกวันไหมไม่บอกครับมีบอกนะไม่ที่เราเรียนเนี่ยวิชากฎหมายวิชาอะไรเนี่ยบอกครับบอกใช่ไหม แต่ว่าวิชาแต่ว่าสอบไล่ที่เด็จะมาพูดถึงเนี่ยมันไม่มีบอกจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คืนนี้ก็ได้นะและเนี่ยมันไม่มีการแก้ตัวสอบไล่ที่โรงเรียนนะหรือสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานสอบข้ามหมายลาย สอบไม่ได้เป็นไงสอบใหม่วันทีน่มีสอบซ่อ ม, มอยากสอบซ่อม ม, ออ ม, มนะั้สอบซ่อมอ่ะนะลูกรลานเรานี่รู้จักดีสอบซ่อมคือถ้าสอบไม่ได้วิชาไหนเนี่ยเอาไปซ่อมไม่ได้ซ่อมอีกนะแต่ว่าสอบสอบไล่ในวันสุดท้ายชีวิตเนี่ยนะไม่มีการ ไม่มีการแก้ตัวนะตกก็ตกเลยนะสอบไล่เนี่ยอาตมาเรียกวความตายเนี่ยอาตมาเรียกเป็นการสอบไล่วิชาชีวิตพวกเราเรียนบ้างหมายวิชาชีวิตนะเรียนกฎหมายเรียนสุขศ า, าสตร์เรียนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษ า, า, ษาไทยภาษาอังกฤษนะวิชาดีๆทั้งนั้นแล้วเคยเรียนบ้งไหมวิชาชีวิตนะอะอะ <c oughs> คืออะไรวิชาชีวิต <c oughs> อ๋อนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิชาชีวิตวิชาชีวิตนี่เขาไม่เข้าห้องเรียนกันวิชาชีวิตเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่รู้ความนะไม่มีการให้คะแนนแต่มีการสอบเป็นระยะระยะ แต่ว่ายังไม่ใช่สอบจริงยังไม่ใช่สอบไล่สอบไล่เนี่ยก็คือตอนที่เราจะตายถ้าเราเรียนวิชาชีวิตมาดีนะก็คือรู้ว่าคนเรานี่ต้องหมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยง ไม่มีชีวิตไหนที่มันจีรังยั่งยืนนะแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยยึดติดถือมั่นไม่ได้ในวิชาชีวิตเนี่ยสาระสำคัญมันจะสอนเรื่องนี้แลวถ้าเราเรียนวิชานี้ดีนะเราไม่ใช่แค่จำอยู่ในหัวนะแต่เราปฏิบัติด้วยวิชาที่นีต้องปฏิบัตินะไม่ใช่แค่อยู่ในหัว วิชาวาดเขียนน่ะพิชาดนตรีเนี่ยมันต้องปฏิบัติไหมฮะฮะพิชาอังกุลุงต้องปฏิบัติไหมปฏิบัติใช่ไหมครับพิชาชีวดีต้องปฏิบัตินะพิชาชีวิตต้องปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติดีนะ ถึงเวลาแก่ก็ไม่ทุกข์ถึงเวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์เงินหายของหายก็ไม่เสียใจถึงเวลาตายก็ตายสงบผ่านฉลุยอันนี้เราสอบได้ถ้าสอบตกเป็นยังไงน่ะกลัวทรมากลัวทรมาน หลายคนเวลาตายเนี่ยนะจะทรมานทุรนทุรายกระสกระสา ย, า ย, า ย, ายกินไม่ได้นอนไม่หลับเออะโวยวา ย, วายนะบางคนก็ร้องอยากตายอยากตายไอยตอนที่สบายนี่ไม่อยากตายแต่พอป่วยเนี่ยโอ้ทนไม่ไหวมันอยากตายอยากตายแต่คนที่พูดอย่างนี้ทุกคนนะแทบไม่มีใครอยากตายหรอกนะ แต่มันมีเหตุให้ต้องพูดต้องต้องเป็นการตัดพ้อมากกว่าตัดพ้อให้ลูกได้ยินนะอย่างนี้เรียกว่าสอบตกนะเวลาป่วยเนี่ยนะแล้วก็อารมณ์กระสับกระสายทุรนทุรายวอยวายอันนี้เรียกว่าสอบตกแต่ตกจริงๆเนี่ยตอนที่ตายไปแล้วก็คือไปอบาย จะรู้ว่าสอบผ่านวิชานี้ไหมเนี่ยจะรู้ว่าผ่านีิผ่านสอบไล่หรือเปล่านเนี่ยก็ดูตรงที่ว่าเวลาเวลาสูญเสียคนรักของรักเป็นยังไงเสียใจไหมถ้าเสียใจร้องห่มร้องไห้เนี่ยอันนี้เรียกว่า อันนี้เรียกว่าถึงเวลาสอบไล่คงจะสอบไม่ผ่าน <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เรียนรู้เรื่องความจริงของชีวิตอันนี้ด้ยวยป่ะแต่ละคามอ่ <c oughs> สะสต่ละคามมาส0 <c oughs> คน เข้าใจไหมคือเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่มีความรู้เรื่องชีวิตเนี่ยหรือเทตมาเรียกว่าไม่ไม่เรียนวิชาชีวิตเนี่ยคือแม้จบด็อกเตอร์มานะจบปริญญาเอกนะจะจบปริญญาวิศวะ เกษตรบัญชีนะหรือแม้แต่แพทย์พยาบาลด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่เรียนวิชาชีวิตเนี่ยพอถึงเวลาสอบไล่ในวันสุดท้ายเนี่ยก็สอบตกสอบตกไปไงก็อย่างพิจาตมาบอกนะก็กระสับกระส่ายทุรนทุราย <Okay. S 1> บอกก็บอกฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตาย บางคนก็บอกอยากตายอยากตายแต่เหมือนกันอย่ากนี่นคือทุกข์นะอาการอย่างนี้ชาวบ้านคนสมัยก่อนเรียกว่าหลงตายคือตายแล้วไม่มีสติอย่างนี้เรียกว่าสอบตกแล้วจบดอกเตอร์มานะแต่สอบตกวิชาชีวิตนะแต่อย่างที่เราบอกก่อนที่มันจะสอบไล่วิชานี้เนี่ยมันมีสอบเล็กสอบน้อยสอบซ่อม อสอบมิดเทอมสอบกลางเทอมมันสอบอยังไงก็เช่นว่าของหายเงินหายถูกโกงนะถูกดา่าคนคนรักตายจากถ้าหาว่าเสียใจโกรธแค้นอันนี้เรียกว่าสอบไม่ผ่านรู้ไหมทำไมสอบไม่ผ่าน ทำไมถึงเรียกว่าสอบไม่ผ่านฮะรู้ปะฮะสอบไม่ผ่านเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องความจริงของชีวิตว่าหนึ่งเ <c oughs> มื่อวานนี้จำได้มากรมาพูดว่าพูดว่าบทบทพิจารณารามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่เป็นไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความเจ็บไายไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความตายไปไม่ได้เราจะต้องท่าจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยคือสรุปยอ่อยๆของวิชาชีวิตนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รู้ไม่เต็มชัดในในเรื่องนี้เนี่ยเงินหายเราก็ทุกข์ับ ป่วยแล้วก็ทุกคนรักป่วยแล้วก็ทุกคนรักตายแล้วก็ทุกเพราะเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นพเพราะเรื่องไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตอันนี้เราว่าสอบตกนะไอ้ น, นี่เราว่าสอบไม่ได้นะแต่ยังไม่สอบไล่นะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยถึงเวลาสอบไล่ก็สอบตกเหมือนกันเพราะว่าตัวเองตายไย ไอ้เงินหายนี่ยังทุกเลยตัวทรัพย์หายยังทุกเลยรถถูกขโมยยังทุกเลยแล้วตัวเองตายนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเองตายนะทรัพสมบัติทั้งหลายนี่ก็หมดนะเอาไปไม่ได้สักอย่างแล้วมันจะไม่ทุกได้ยังไงความทุกข์ถ้าทุกข์ก็แปลว่าสอบตกอยากสอบตกไหม มันยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกเอาไว้ฝึกฝึกที่จะไม่ใช่แค่จดจานะแต่มันต้องเตือนใจเสมอนะว่า เ, ออเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องาาพับผิดของรักของชอบใจทั้งนั้น เวลาเงินหายของหายเนี่ยให้ลองมองดูว่าแทนที่จะทุกข์แทนที่จะข้าครวนให้เรามองว่าเออเนี่ยนี่คือการสอบนะสอบวิชาชีวิตเราจะเลือกสุขหรือเราเลือกทุกข์อ่ะเลือกสุขเลือกสุขนะครก็ต้องทำให้ได้เพราะถ้าเราเพราะถ้าเราเลือกทุกข์นะ เรากำลังซ้ําเติมตัวเองซ้ำเติมยังไงเงินหายคนฉลาดเนี่ยเขาจะเขาก็จะหายหรือเขาก็จะยอมเสียหรือยอมหายแค่เงินแต่ยังอื่นไม่ยอมเสียแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยพอเงินหายพอเงินพอเสียเงินไปก็ใจก็เสีย ทำงานไม่ได้สุขภาพก็เสียกินไม่ได้นอนไม่หลับเออทำงานไม่ได้งานก็เสียกินไม่ได้นอนไม่หลับสุขภาพก็เสียและพออารมณ์ขุนมัวก็อารวาใส่เพื่อนระบายใส่คนรอบข้างใส่ลูกใส่เมียใส่ผัวบางทีใส่พ่อแม่ความสัมพันธ์ก็เสียไปด้วย คนฉลาดเสียแต่เงินแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยก็จะเสียอีกสีอย่างเสียสุขภาพเสียความสุขเสียสติก็ได้เสียงานเสียความสัมพันธ์หรือเสียสมบัตภาพอันนี้พ่ออะไรเพราใจยังยึดติดอยู่กับของที่เสียไปไม่ปล่อยไม่วาง บางคนรู้ว่าปล่อยวางดีนะแต่ทำไม่ได้เหมือนกับหลายคนรู้ว่าโกรธไม่ดีใช่ไหมแต่ก็โกรธทุกทีเวลามีคนดา่าหรือเวลาลูกไม่ไม่เชื่อฟังลูกเถียงพ่อหลานเถียงปู่เนี่ยไม่พอใจแล้ววิชาอื่นนะมันสอบสอบด้วยกระดานนะวิชาทั้งหลายเนี่ยสอบในห้องเขียนกระดาษ เห็นใส่กระดาษแต่วิชาชีวิตเนี่ยเวลาสอนเนี่ยมันสอบอยู่ในโลกกว้างแล้วมันเราเราไม่รู้สดยสารมัจะสอบเมื่อไหร่อย่างโยมเดี๋ยวเดินกลับไปที่กุฏิบอกว่าของถูกขโมยนั่นแหละสอบแล้วล่ะ <c oughs> ใช่ไหมเวลา เวลาจะพรุ่งนี้จะกลับกลับขึ้นรถกลับบ้านกลับกี่โมงนะหลังจากเทียนครับเทีนใช่ไหมเสร็จคับเสร็จโมงครึ่งแต่รถเสียไม่มาตามนัดนะ อ, อันนี้สอบแล้วนะสอบย่อยสอบเพื่อดูว่าอะไรเพื่อดูว่าอะไร เรายอมรับได้ไหมเราเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไหมเราเข้าใจเรื่องความไม่แน่นอนไหมนัดไว้สิบเครึ่งเนี่ยเที่ยงครึ่งบ่ายสองยังไม่มาเลยเพราะอะไรไม่ใช่พเพราะเขาขี้เกียจแต่รถมันเสียมันคือความไม่แน่นอนใช่ไหมความไม่แน่นอนนี่เป็นธรรมดามชีวิตหรือเปล่าเป็นแต่ว่า พอเราเจอความไม่แน่นอนเนี่ยทําไมเราทุกข์ทำไมเราโมโหทําไมนัดแล้วทําไมโมโหเพราะนัดแล้วไม่มา เ, เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องความไม่แน่นอนความเป็นอนิจจังถ้าเราทุกข์นี่แสดงว่าเราสอบไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองนัดไว้สิบเอดโมงคึ่งแต่ไม่มาก็ มันก็ย่างๆไม่ก็ควรจะมาแต่มันไม่มาก็เหตุสุดวิสัยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นธรรมดานี่นโยมเนี่ยมองนะว่าไอไอเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยโดยเพพาะที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยมันคือมันคือบททดสอบของวิชาชีวิตนะ ก็ต้องพยายามที่จะผ่านไปให้ได้อย่าไปปล่อยใจให้โมโหหงุดหงิดเศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นนะอย่างนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองสอมไม่ได้เรียกซ้ำเติมตัวเองนะนั้นถ้าเกิดว่าฝึกใจไว้อย่างนี้นะใจเราจะมีความพร้อมมากขึ้นเวลาความตายมาถึง ไม่ต้องไปวัดก็ได้บางคนไปวัดเนี่ยแต่ไม่เคยเรียนวิชาชีวิตเลยนะไปวัดนี่ไปแต่ทำบุญทำไมถึงอยากได้บุญก็เพราะได้ได้บุญเยอะๆแล้วมันจะรวยจะมีอายุยืนนะจะมีความสำเร็จ มีหน้ามีตาเป็นเจ้าคนในคนหลายคนเข้าวัก็เห็นเนี่ยแต่ไม่เคยที่จะเรียนวิชาชีวิตที่พระสอนเรื่องความไม่เที่ยงนะอายุยืนเท่าไหร่ก็ต้องตายรวยแค่ไหนก็ยังหนีทุกข์ไม่พ้นส่วนใหญ่ไปว่านี่ไม่ค่อยได้ฟังเรื่องนี้เลยนะ ไปคิดแต่ว่าทําไงจะถูกหวยรวยเบอร์ใช่ไหมงั้น <c oughs> หลายคนเนี่ยไปวันเนี่ยไม่ได้เลยเลยนะแถมถูกหลอกอีกเสียเงินถูกพระหลอกนะพระเอาสวรรค์มาหลอกนะเอาเอาความมั่งมีเสียสู่มาหลอกอยากรวยเอามาทําบุญนะกลับามาต่อมาถ้าอยากรวยมากๆก็ พันหนึ่งถ้าอยากรวยมากกว่า น, นี้ก็หมื่นหนึ่งนะเสียเงินด้วยนะ <c oughs> เสียเวลาด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยแถมโง่กว่าเก่าอีกนะหลายคนเป็นอย่างนี้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอันนี้ผู้ชายไม่ผู้หญิงเป็นคนที่สนใจธรรมะตั้งแต่เล็ก เป็นวัยรุ่นแกก็พยายามรักษาศีลห้านะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะรักษาศีลห้าเนี่ยสำหรับวัยรุ่นนะไม่กินเหล้าไม่เที่ยวผู้หญิงนะแกก็ชอบทาบุญโตขึ้นแกก็เข้าวัดทำบุญเพราะแกเชื่อว่าทำบุญเยอะๆเนี่ยนะมันจะทาให้มั่งมีสีสุขมีอายุวันนัสสุขันละ อาอยุยืนแล้ววันหนึ่งพบว่าตัวเงเป็นมะเร็งแจ่ช็อกนะถ้าโกรธด้วยรู้ไหมทำไมถึงโกรธฮะทำบุญเยอ ะ, ยอะแล้วก็มันต้องไม่ป่วยสิมันต้องอาอยุยืนสิทำไมทำดีไม่ได้ดี ไอ้นั่นมันกินเหล้าสูุหรีมันไม่เป็นอะไรเลยกูนี่ทําดีนะทําบุญรักษาศีลอยเป็นโปรถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยผิดหวังเนี่ยคนเราพอผิดหวังมัน ก, ก็ต้องโกรธเลยแลต่ต่อไปต่อไปถ้าจะเป็นมะเร็งนะแกก็มีอาการกลาดเกรียวระบายอรารมณ์ใส่หมอพยาพบาลพยาบาลหมอนี่ไม่อยากยุ่งกับคนนี้เลยบางทีคนธรรมาโมเป็นอย่างนี้นะ พอเป็นมะเร็งทำใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันผิดผิดหวังเพราะมีความคาดหวังว่าทำบุญแล้วเนี่ยมันต้องไม่เป็นอะไรคนอยูนี่พอตายก็ไม่สงบนะมีอีกลายหนึ่งหลายลายด้วยเมื่อห้สิบปีที่แล้วเนี่ยมันมีไฟไหม้ใหญ่ที่สุรินทร์ มีใครอยู่สุรินทร์้งก็ว่าเมื่อ5 0ปีก่อน40ปีก่อนก็ได้ไฟไหม้ใหญ่บ้านเรือนถูกเผาผลาญไปเป็นร้อยหลังคาเรือนคนก็สิ้นเนื้อประดาตัวก็เป็นพันอ่ะนะก็มีหลายคนเนี่ยมาพูดเข้าหูหลวงปูดูลหลวงปูดูนยนตุโลอยู่วัดบุรพารามกลางเมืองสุรินทร์เลยไปรู้สิกหลวงปู่มั่น มีคนต้องพูดว่าเนี่ยู่อ่าตายายเขาก็ทำบุญพ่อแม่เขาก็อุปถัมภ์วัดบารุงศาสนาตัวเขาก็ใส่บาทเป็นประจำถวายสังฆทานผ้าป่ากระถินก็ไม่ไม่เคยไม่เคยขาดไม่เคยปฏิเสธทำไมมาเจอแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมทาบ้านไม่คุ้มครองมีคนนึงมีคนตงบอกว่าต่อไปนี้ไม่เข้าวัดแล้วต่อไปนี้ไม่ทำบุญแล้ว หลวงปูุลท่านก็เลยบอกว่าความเสื่อมความวิบาิความอันตรท า, านความพัดพรากเนี่ยมาเป็นธรรมดาโลกคนที่มีธรรมะคนที่ฝ่ายธรรมะเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทำอย่างไรใจจึงจะไม่ทุกข์อย่างนี้ตัางหากเป็นหน้าที่ของธรรมะธรรมะไม่ได้มีหน้าที่ช่วยให้ไม่หิวไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> ถ้าเข้าใจวิชาชีวิตก็ต้องรู้ว่าความเสื่อมความวิบาิความวามันตราธทางว่าภาพเป็นธรรมดาแต่สองคนที่ว่าเนี่ยไปวัดบ่อยแต่ไม่เคยไม่เคยตันหนักเลยนะว่านี่คือความจริงของชีวิตความเจ็บความป่วยถามว่ามันเกิดขึ้นกับเฉพาะคนเลวป่ะอนะ ขึ้ท น, ท, นทุกคนก็เป็นใช่ไม้มพระอารหันเนี่ยป่วยไหมป่วยคุณจ้าว น, นี่ป่วยไหมป่ว ย, วยมาเลงนี่เป็นก็เฉพาะคนชั่วคนดีไม่เป็นเหรอฮะพ ร, ระเป็นมาเลงก็เยอะใช่ไหมอ่หลวงพ่อตะมาก็เป็นมาเลงนะพระอารหันที่เป็นมาเลงก็มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมดาโลก นี่คือวิชาชีวิตแต่ว่าสองคนที่ว่าเนี่ยนะเข้าวัดเป็นประจำแต่ว่าไม่ได้เรียนเลยนะมีแบบนี้เยอะนะเพราะว่าไปเข้าวัดเพราะหวังจะได้โชคได้ลาบได้ความมั่งมีได้ความมีอายุยืนยาวทาบุญก็ก็หวังในแค่นี้นะไม่ได้เปิดใจรับความจริงของชีวิต แต่ถ้ายมเนี่ยนะเออทำใจยอมรับเนะอะเ น, นี่ยชีวิมันเป็นยี้แหละนะข้อดีคือเวลามันเงินหายถูกว่านะหรือว่าสูญเสียคบของรักหรือไม่แต่คนรักออใจก็ไม่ทุกข์ปล่อยวางได้ ถึงเวลาจะตายเนี่ยนะก็จะตายอย่างสงบเพราะว่าเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วเตรียมใจมานานแล้วนะตั้งแต่ยังหนุ่มอย่างสาวแล้วก็ได้ผ่านการฝึกได้ผ่านการสอบมาครั้งแล้วครั้งเล่าตกบ้างแต่ได้ก็เยอะ ก็คือผ่านไ ป, ไปอะไรของหายก็ผ่านอย่างเงี้ยนะถึงเวลาตายเนี่ยนะมันก็ตายสงกเรียกว่าสอบผ่านให้เรารลืกอยู่เสมอว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายโดยเฉพาะล้ายๆนะมันมาสอนธรรมะ มันมาสอนวิชาชื่อเให้กับเราแล้วมันก็เป็นแบบฝึกหัดไปด้วยในตัวมีพยิงคนหนึ่งนะเมืม่อปีห้าสีเนี่ยน้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมอะโคดานี่ไม่เอ๊ยสารคาไม่เจอมั้งปีห้าสีน้ำท่วมใหญ่ท่มวมท่มวมเลยเหรอแล้วฝั่งน้ำขีมันล้นเหร อ, หรอ ช่วงเดียกับที่ภาคเหนือทั่วมาะกรุงเทพทั่วมอะตุลาใช่โอ้ยตอนนั้นเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินกันมากมายเป็นล้านเป็นล้านคนนะอาจจไม่ถึงกับล้านาครอบครัวแตเป็นล้านล้านคนก็สูญเสียทัพย์ไปหลายคนก็เสียใจบางคนเสียบางคนเสียใจไม่พอเสียชีวิตเพราะคนไม่ไหวค่าตัวตายแต่างีพี่ยงคนหนึ่งเคบอก น้ำท่วมคราวนี้มันก็มาบอกเรานะมันมาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยมันไม่อะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างที่เรามีมันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านเลยไปบางทีก็มีไฟไหม้บังทีก็น้าพัดไปบันทีก็คนก็ขโมยอย่างนี้เขาเขาเสียทรัพย์แต่เขาได้วิชาเขาได้ธรรมะได้วิชาชีวิต ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทรัพสมบัติถายไปซื้อใหม่ได้แต่ปัญญาหรือวิชาชีวิตเนี่ยนะความรู้ทางนี้ในวิชานี้มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วนี่นะต่อไปถ้าจะถ้าจะเสียหายมากกว่านั้นเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์แล้ว เพราะว่าผ่านผ่านบททดสอบไปแล้วหรือว่ามีวิชาความรู้แล้วมีผู้ชายคนห่เป็นช่างไฟนะโดนไฟช็อตไฟฟ้าแรงสูงช็อตที่ขาต้องตัดขาทั้งสองข้างเลยเอายุยังไม่เท่าไหร่นะยังหนุ่มอยู่ ต้องที่การตลอดชีวิตแต่เขายังโชคดีที่เขามีเมียคอยช่วยเหลือคอยดูแลแต่ว่าไม่กี่ไม่กี่เดือนต่อมาเมียก็ทิ้งลองคิดดูดัคนที่เสียขาหรือต้องเสียมยีจะรู้สึกอย่างไรแต่ผู้ชายคนนี้นี่แกไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนะมีคนถามว่าเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาทิ้คุณไป ต่ตอบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูซิแม้กระทั่งขาทั้งสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมีย อ, อยู่กับผมได้ยังไงอย่างที่สอบผ่านนะผ่านอัไรละผ่านการสอบของวิชาชีวิ ต, ววตเพราะอะไรเพราะเขาได้เรียนรู้จากการที่เขาเสียขาสองข้างว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้ต้อ่งขาเนี่ยนะมันมากับเราตั้งแต่เกิดนี่มันยังไม่อยู่กับเราเลย แล้ใจเมียอยู่กับเราได้ยังไงไงคนนี้ก็ไม่ได้เข้าวัดบ่อยนยะแต่เขาเรียนรู้จากเหตุการณ์จากประสบการณ์อาตมาบอกกับพวกเราเมื่อวานนะพวกเราเนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยมันผ่านประสบการณ์มาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนทำให้กับเราสอนวิชาชี้กับเราทั้งนั้นแหะ อยู่ที่ว่าเราจะเรียนหรือเปล่าบางคนก็ไม่เรียนเลยนะเหมือนกับครูสอนก็ไม่ฟังเวลาสอบก็เลยสอบตกนะ ใ, ให้ยอยมองนะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ว่าดีหรือลายเนี่ยบวกหรือลบได้หรือเสียเนี่ยมันมันรู้แล้วแต่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับวิชาชีวิตแล้วก็เป็นการสอบ ไปด้วยในตัวแล้วถ้าโยมเนี่ยเก็บเกี่ยวซึมซับบทเรียนนี้ไว้เนี่ยนะถึงเวลาที่ระยะสุดท้ายมาถึงก็ก็ไม่ไม่เสียใจไม่วิตกไม่กลัวเพราะรู้ว่ามันเป็นธรรมดาแล้วโยมงก็จะผ่านไปได้นะนี่แหละเี่อทำไมเลยว่าถ้าจะถามเรื่องฝึกใจยังไงนะ ฝึกใจคือนเนี่ยแต่ว่าถ้าจะฝึกใจให้ดีวันนี้เอาก็ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปเจริญสติเนี่ยอย่างที่ทำกันเนี่ยมือช้าได้ฝึกก็ <c oughs> ออออนะอันนั้นก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการฝึกใจอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้ฝึกที่วัดเท่านั้นนะต้องฝึกในชีวิตจริงด้วยตอนนี้เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ต้องฝึกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักหมั่นทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะถ้าเราทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยและไม่ทาชั่วนะไม่ใช่ทาดีด้วยทาชั่วด้วยนะอันนี้ไม่ถูกบางคนเนี่ยทาชั่วมากก็เลยต้องทําบุญได้เยอะทํายุ่งบุญเยอะแนะบะะบ น, นี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกจนกว่าจะไม่ทาชั่วไม่ขโมยไม่คอรับชั่นไม่ฆ่าสัตว์ นี่ทำดีมันมีประโยชน์อะไรมันทำดีก็ทำให้จิตใจเราแจ่มใสทำให้เราภูมิใจในชีวิตของเราถึงเวลาจะตายเนี่ยมันก็ไม่เสียดายชีวิตไม่รู้สึกกลัวด้วยเพราะรู้สึกว่าช่วเราเนี่ยมันเราทําดีมาเยอะเราไม่กลัวความตายเพราะเราลร่าตายแล้วไปดี ผูเจ้านี่เคยตรัสไว้สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะว่าเราไม่เคยทําชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงคนที่ทําชั่วเนี่ยจะกลัวตายนะทําไมกลัวตายทําชั่วมากๆทําไมกลัวตายกลัวรับผลกรร ม, ร, ร, มรับผลกรรมอืมไอคนที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยนะพอกใกล้ตายเนี่ยมันกลัวตายทั้งนั้นเนี่ย และส่วนหนึ่งพระกลัวไปนลกอีกที่หนึ่งพระพุทธเจา้าตรัสไว้ว่าเนี่ยเราเมื่อตั้งมั่นในธรรมจะไม่กลัวปรโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีการไม่ทำชั่วเนี่ยมันเป็นการเตรียมตัวอย่างหนึ่งนะเวลาจะตายเนี่ยนึกถึงความดีที่เราได้ทำมันก็อบอุ่นใจมีพุทธภาสิท ว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะประโยคสั้นๆเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างหนึ่งเมื่อจะสิ้นชีวิตก็ยังมีความสุขได้ก็สามารถจะมีความสุขได้คนมักจะคิดว่าเมื่อจะตายแล้วเนี่ยมันต้องทุกข์นะแต่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยสามารถจะเป็นสุขได้เป็สุขได้เพราะอะไรเพราะว่าทาบุญบุญในที่นี้คือความดี เมื่อเราเราจะตาย เ, ยเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำหรือมีคนมาพูดให้เราฟังว่าเราทำความดียังไงบ้างเนี่ยมันทำให้เราอิ่มเอิบใจมีมีคุณยาวนินแกเป็นมะเร็งนะแกปวดท้อง ม, มากเลยแกก็ร้องโอดโอยพยาบาลบุรีรัมเนี่ยมาพยาบาลปฏิยถถามว่าปวดกี่คะแนน นะปวดกี่คะแนนศูนถึงสิบปวดกี่คะแนนนะจะได้ให้ยาถูกแต่พียบบางคนที่แปลกก็ถามว่ายายชีวิตนี้ที่ผ่านมาทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบว่าหล่อพระ <c oughs> เธอไปหล่อพระมูสิกบปีก่อนคนที่สานี่นะหล่อพระนี่มันเป็นมหาผูสลนเพียบบางรีบถามเลย ยายจําได้ไหมวันนั้นใหญ่ยายใส่เสื้อสีอะไรนู่งผ้าสีอะไรยายจําได้หมดเลยเกบาล์เลยชวนคุยนะยายก็โอ้ยได้เราลึกถึงความหลังนี่แกผ้าภูมิใจแกมีความสุขมีความผิดติคุยประมาณสิบยี่สิบนาทีคุยจบจะพูดกับพยาบาลเรียกพยาบาลหมอหมอแปลกนะมันหายปวดเลย หมอไม่ได้ให้ยานะพยาบาลไม่ได้ให้ยาแต่พอนึกถึงสิ่งที่ตัวเองความดีที่ตัวเองได้ทำานะมันเกิดความปิติเกิดความปราโมดโดยเพราะสิ่งที่เราศรัท ธ, ธาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเมื่อมีศรัท ธ, ธาทำให้เกิดปราโมดปราโมดคือความล่าเริงความเบิกบานใจปราโมดทำให้เกิดปิดติดความอิ่มเอิบใจปิดติดทำให้เกิดปสัสสธิคือความผ่อนคลายการใจและทาให้เกิดสุข เมื่อเรานึกถึงความดีที่เราได้ทํานึกถึงสิ่งที่เรานับถือศรัทธามันจะเกิดสุขตามมาแม้จะป่วยท้องปวดนะแต่ว่าใจมันเป็นสุขพอใจเป็นสุขนะความป่วยก็หายไปเลยใเนี้ถ้าเกิดว่าจะใกล้ตายนะพอนึกถึงความดีนะมันไม่กลัวตายแล้วนะใจมันสงบเการทําความดีเนี่ยเป็นการทําดีสม่ําเสมอนะเป็นการเตรียมตัวที่ดีนะ สร้างกุศลเยอะๆใจสร้างให้เป็นนะไม่ใช่สร้างเพื่อหวังรวยนะแต่ว่าสร้างเพื่อทําบุญเพื่อที่จะได้ลดความตนันอิจฉาเหนียวเพื่อลดความยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าทำบุญไม่เป็นเนี่ยอย่างที่ธรรมมาเล่าเนี่ยนะพอป่วยเนี่ยมันจะโกรธมากเลยว่าทําไมทําบุญถึงต้องมาเป็นบันเลงทําไมต้องเป็นชั้น การทาบุญแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ต้องระวังก็ต้องปล่อยวางเป็นนะมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็ประมาณเท่ากับพ่อออกนี่แหละนะเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบเผาเพื่อนฝูง <c oughs> มิสหายไปไปทอดกระถินทอดผ้าป่าในวัดชนบทไกลไกลุรกันดารเพราะอยากจะช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารทํยาี่มาหลายปี เป็นส0ปีวันหนึ่งพวกตัวเปงโนมะเร็งแล้วมะเร็งที่เป็นก็ลามเร็วมากสุดท้ายก็แทบจะไม่รู้สึกตัวแล้วอยู่ในระยะสุดท้ายตอนกใกล้ตายแกมีอาการกระสอบกระส่ายลูกหลานเห็นว่าแกเป็นุณธรรมะธรรมโมก็คิดว่าถ้าได้ฟังเทศธรรมะพาสวดมนต์จิตใจแกคงจะสงบแต่ไม่สงบเลย แปลกใจใเป็นทำไมเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงพอเพื่อนสนิทมารู้ว่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนก็บอกกระซิบข้างหูกับคนป่วยว่าเนี่ยไอโบสที่สร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จแกสงบเลยแปลว่าอะไรแกห่วงเรื่องโบดการสร้างโบสนี่เป็นมหากรุสสนนะยิ่งกว่าหลอพราเองนะแต่ถ้าเกิดว่าสร้างไม่เสร็จก็ต้องปล่อยนะ อย่าไปห่วงว่าไม่เสร็จไม่เสร็จสักทีนี่นะความยึดติดถือมั่นอย่างเงี้ยก็ทำให้จิตไม่สงบอย่างนี้ก็เรยวว่าเร็วไม่ไม่ผ่านนะไม่ผ่านวิชาชีวิตนะคือไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางสะตายแล้วยังไม่ปล่อยวางอยู่จะตาแล้วต้องปล่อยวางทุกอย่างไม่ว่าดีแค่ไหนไม่ใช่แค่ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัว รัพสมบัติงานการแม้กระทั่งเรื่องสร้างวัดสร้างวาถ้าสร้างม่เสก็ต้องปล่อยอย่าไปิึดติ ก, การทําความดีการสร้างบุญสร้างบุญศรจนกระทั่งไม่ยอมตายต่อสู้ับความตายอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ผ่านวิชาชีวิตนะไม่ผ่านบททดสอบนะนี่ก็บททดสอบอันหนึ่ง <c oughs> มีเสียงแล้วหงุ่นงินไหมล อ, องค้นหงุดหงิด มันมาเปิดโทรศัพท์ตอนนี้แต่เราฟังก็เฉยๆสัตว่กได้ยินอย่าไปหงุดหงินะเหยุามเนี่ยบททดสอบมาเรื่อยๆมันเล็กๆบางทีก็มาเล็กๆน้อยๆนะทีจริงแบบหมดแล้ว ท, ทไมดังไม่เป็นไรนธรรมดา <c oughs> อันนี้เตรียมตัวเตรียมฝึกใจให้พร้อมอย่างหนึ่งนะอันนี้ต้องต้องไม่ใช่เป็นเรื่องการ ไม่ใช่แค่ทำความดีไม่ใช่แค่สร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าเราเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะเช่นเป็นลูกก็ดูแลพ่อแม่อย่างดีเป็นพ่อแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีนะเป็นปู่ย่าตายายก็ดูแลหลานอย่างดี ตจนกระทั่งเรารู้สึกว่าทําเต็มที่แล้วเราช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นคนดีแล้วถึงเวลาจะตายนะมันตายง่ายคือมันปล่อยวางง่ายหลายคนเนี่ยปล่อยวางลูกไม่ได้ปล่อยวางพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรตอนที่ตัวเองสบายสุขสบายเนี่ยไม่ค่อยดูแลลูกไม่ค่อยให้เวลากับพ่อแม่ พอจะตายเนี่ยนะมันกังวลมันเสียใจทํานองเดียวกับลูกเนี่ยถ้าดูแลพ่อแม่ดีนะถึงเวลาพ่อแม่จะไปนะลูกก็ปล่อยวางได้ทำเต็มที่เนี่ยจะช่วยทาให้ปล่อยวางได้ยกตัวอย่างเช่นลูกเนี่ยที่ดูแลพ่อแม่มาพ่อแม่ป่วยมาสิบปีหรือห้าปีเนี่ยลูกดูแลแม่ ถึงเวลาพ่อแม่อยู่ในระยะสุดท้ายหมอถามว่าจะยืมไหมลูกที่เขาดูแลแม่ดีแล้วเขาเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาจะบอกหมอว่าอย่ายื้อเลยพ่อะอะไรทรมานเขาอยากจะให้พ่อแม่ไปสงบแล้วเขาถึงตอนนี้เขาก็พร้อมจะปล่อยวางได้ แต่จะมีลูกบางคนที่ไม่ปล่อยวางจะบอกหมอว่าหมอทําเต็มที่เจออาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจใช้ยากระตุ้นหัวใจหรือไม่กระทั่งปั๊มหัวใจก็เอาเลยเต็มที่ส่วนใหญ่ลูกที่คิดแบบนี้เนี่ยคือใครคือลูกที่ไม่คยได้อยู่กับพ่อแม่ลูกที่ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเยี่ยมพ่อแม่ และมักจะเป็นลูกที่ทํางานต่างจังหวัดทํางานกรุงเทพทํางานต่างประเทศและมักจะเป็นลูกที่พ่อแม่รักก็เลยส่งเสียให้ไปได้ไปไปกลๆแล้วบวงนี้พอนื่อจาเป็นเป็นเด็กเรียนเก่งเป็นเด็กเรียนดีก็ไปไกลถึงกรุงเทพไปไกลถึงอเมริกามีธุรกิจใหญ่โตมีงานเยอะแยะคนเก่งเนลยและจะไม่ค่อยมีเวลามาดูแลพ่อแม่ถึงแล้วพ่อแม่จะตาย คนเหล่านี้แหละที่จะบอกให้หมอเนี่ยทำเต็มที่เลยหมอเต็มที่ full option นะแล้วใครเดือดร้อนนะคนป่วยเดือดร้อนเราจะมาเจอมาเยอะแล้วนะลูกที่ไม่ปล่อยพ่อแม่นี่นะก็คือลูกที่ไม่ค่อยได้มีเวลาและมักจะเป็นลูกที่รวยเป็นลูกที่มีความรู้เป็นลูกที่มีฐานะแต่ว่า ก็เพออยู่ไกลไงก็เลยไม่มีเวลาพ ถ, ถึงเวลาจะตายเนี่ยปล่อยไม่ได้ต้องยื้ อ, อไว้ไม่ได้ยึ้เพื่อพ่อแหมยืย้เพื่อตัวเองเพอะรู้สึกรู้สึกผิดที่ไม่มีเวลาดูแลตอนนี้ข อ, อกตันอยู่เต็มที่หน่อยกรตันอยู่เฉพพันเขาเรียกโลกตันอยู่เฉพพันอันนี้กําลังพูดว่าถ้าเราทําเต็มที่นะมันจะปล่อยวางง่าย สมมติเรากำลังจะตายเนี่ย เ, ออเราดูแลลูกเต็มที่แล้วเราดูแลพ่อแม่เต็มที่แล้วมันแล้วใจมันพร้อมไปนีนวนะ่วิธีฝึกนะวิธีฝึกใจเนี่ยนะไม่ใช่แค่ไปทําสมาธิไม่ใช่แค่เออเรารู้ถึงความตายาเสมอแลนะ้วต้องทําหน้าที่ของเราให้ใหดีนะถึงเวลาตายมันพร้อม อันนี้เราถึงทำพินัยกรรมด่นะมีพวกเรานี่หลายคนคงจะรวยนะดูหน้าตาแนละ้วดูดูอย่างนี้นะที่ดินคงจะหลายแปลงทีเดียวเนี่ยมียมงคุณึงนะเก็บไอ้เจ็ดสิบเป็นไตาวายแกล่างตายมาหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วแล้วแกก็คงรู้คงจะร่างตายได้ไม่นาน วันหนึ่งก็บอกลูกว่าไปเรียกทนายความมาจะทำพินัยกรรมไอ้ลูกนี่ดีนะแทนที่จะดีใจว่าเออพ่อจะได้จะทำพินัยกรรมยกมรดกให้เราบอกแกก็มองเ อ, อ๊ะนี่เป็นลางร้ายแก้งทำเป็นลืมไม่เรียกทนายความมาสองสามเดนต่อมาพ่อไปล้างไตช็อกนะเสเสลืนสมองแตก ปัอยู่สองวันไม่รอดไม่สาเร็จตอนที่แก่ตายนะหน้านี่คือขมวดเลยคนตายแล้วหน้านี้คือขมวดเนี่ยแสดงว่าไงกังวลกังวลว่าอะไรกใในจกังวลเรื่องพินัยกรรมยังไม่ได้ทําอเนี่ยเพวกเราเนี่ยนะทํำไม่ยังพินัยกรรมอ่ะ ต้องเรียนทั่วสูงอายุสอนอ่ะแอบหนึ่งที่ที่ไม่รู้ว่าที่อยากจะให้ทํานะไม่รู้ว่ามีการแนะนำกันหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นพินในกรรมชีวิตหมายความว่าพินัยกรรมส่วนใหญ่มีผลบังคับใช้เมื่อเราตายแล้วแต่พินในกรรมนี้ใช้ตอนที่เรายังไม่ตายแต่ว่าเราไม่มีความรู้สึกตัวแล้วเราโคม่าเราตัดสินใจไม่ได้ เคยเห็นไม่มคนป่วยแบบนี้โคมา่าไม่รู้สึกตัวนะพ่ธีกรรมนี้เนี่ยนะจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราตัดสินใจไม่ได้ใ้ตัวเองเนี่ยอะไรบ้างที่เราให้หมอทำอะไรบ้างที่เราไม่ขอให้หมอทำนะเช่นปั๊มหัวใจผ่าตัดใหญ่ อันนี้หมายถึงระยะสุดท้ายนะถ้าเราอยู่ในระยะสุดท้ายและไม่รู้สึกตัวระยะสุดท้ายก็หมายความเป็นโรคนะเป็นโรคที่มันรักษาไม่ได้แล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายของโลกนั้นแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการรักษารักษายัางไงก็ไม่ดีขึ้นละนี่คือระยะสุดท้ายนะต้องต้องต้องทํานะเพราะถ้าไม่ทํานะ ลูกจะทำยังไงลูกก็จะปั๊มเด่ยหมอทำเต็มที่ปั๊มเลยนะหมดเงินไปหลายสิบล้านเพราะพ่อแม่เป็นผักไปแล้วบางคนพ่อแม่ไม่เป็นผักนะแต่ว่ามันทรมานมากส่งสายตาวิงวอนปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะสายเยงระยางเลยถามว่าลูกปล่อยได้ไหมลูกจะปิดเครื่องได้ไหมลูกจะถอดท่ อ, อได้ไหม ทำได้ไมไม่ได้ใม่ได้ใช่ไห ม, ไหมแต่พ่อเนี่ยแม่ทรมานไอ้แบบนี้เป็นไหเป็นเยอะนะโอ <c oughs> งค์พิ <c oughs> วันเอกชนเนี่ยไปดูเลยเนี่ยบางคนอยู่ในโรงพยบาบาลเนี่ยสามสี่ปีหมดเงินไปสิบยี่ิบ้านบางคนหมดไป1อยล้าแล้วเห็น <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะไม่อยากจะให้ลูกเป็นอย่างนี้นะบอกเอาไว้ว่า อะไรที่อยากให้ทําอะไรที่ไม่อยากทำหลวงพ่อเขียนเนี่ยหลวงพอ่อต้นมาเนี่ยเ mm hmm. มื่อท่านเป็นมะเร็งเนี่ยนะและท่านรู้ว่ามะเร็งครั้งนี้เนี่ยคงจะรักษาไม่หาย <c oughs> ท่านก็เขียนพี่นายกรรมเอาไว้แล้วนายพี่นายกรรมบอกว่าถ้าท่านอยู่ในอั้นสุดท้ายและไม่รู้สึกตัวขอให้ไม่ทำสามอย่างนี้หนึ่งไม่ผ่าตัดใหญ่สองไม่ไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจสามไม่ ปัมหรือกระตุ้นหัวใจขอให้พาท่านกลับวัดแล้วท่านเขียนต่อไปด้วยว่าเนี่ยบรรณาภาพแล้วไม่ขอรับพระทานเพลิงศพนะทำพิธีศพได้ไม่เกิน15วันไม่ต้องมีไม่ต้องมีการถวายไม่ต้องมีการทําบ้าของสุขุนไม่ต้องมีการสวดบุญวายสวดพระพิคำแปลสวดพระพิคแปลหนึ่งจบแล้วก็แสดงธรรม ไม่ต้องไม่ต้องมีพิธีทอดผ้ามงสกุลนะสมัยนี้นี่มันเฟลแล้วนะเดี๋ยวนี่ย้จะมาไปเห็นทอดผ้ามงุลเนี่ยแปดสิบผ้าแปดสิบผืนร้อยผืนเท่าอายุเนี่ยถ้าพูดพูดแบบถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็นคือมันบ้าแล้วมันบ้าแล้วเพราะเขาไม่เคยไม่ม่ไม่มีประเพณีแบบนี้ใช่ไหมแต่เป็นการทําเพื่อรักษาหน้าเพราะว่าถ้าให้ให้ในายกรนายขอบ ทอดผ้าแต่คนอื่นไม่ได้ทอ ด, ทอดก็กลัวว่าเขาจะเสียหน้าใช่ไหมแต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ไม่ใช่วัตถุประสงค์งการทอดผ้ามังสุงสกุลพุทธศาสนาทอดผ้ามังสุกุลเพื่อให้ผ้าได้พิจารณาพิจารณาอนิจจสัญญาสมัยก่อนที่ต้องไปเอาต้องไปเอาผ้าทอดผ้ามาจากศพนะสมัยนี้เนี่ยมีลงปิดนิชิต ก, ก็กลายเป็นเรื่องการเรื่องของหน้าต า, าผมพ่อผมเขียบอกไม่ต้องมียนะไม่ต้องทอดผ้ามงสุกุลเสียเวลา แต่ประเด็นที่ใหญ่พูดคือว่าท่านบอกว่าถ้าท่านยังมีชีวิต อ, อยู่แล้วถ้ายัางไม่ตายเนี่ยอย่าทำสามอย่างนี้นะให้ทํามาตายที่วัดถ้าท่านก็ได้มรณภาพที่วัดจริงๆหลวงพวอคูณเนี่ยนะพวกเราทราบใช่ไหมท่านมรณะภาพยู่เท่าไหร่เก้าสิบกว่าเก <90. S 1> ้าสิบ้าสาเนี่ยทำพทําท่านทำพิธีการดีทุกอย่างเลยนะมอบร่างให้กับขอนแก่น พิธีสวดไม่เกินเจ็ดวันจัดที่มาลายขอนแก่นแต่ไม่รู้ว่าตะมาไม่ตะมาไม่รู้ว่าท่านได้ทําพิธีกรรมหรือเปล่าว่าถ้าท่านโคม่าเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ให้ทําวันที่ท่านมรณภาพเนี่ยท่านหายใจไม่ได้ท่านอยู่หายใจปั๊มเลยปั๊มนะ หายใจไม่ได้เนี่ยก็ไปปั้มต่อที่จากฐานกูโท้ไปปั้มต่อมาฮาร่าปรากว่ากระดูกเนี่ยนะซี่โครงมันทิ่มปอดหายใจไม่ได้เนี่ยเพราะปอดถูกทิ่มนะ mm hmm. ก็จะปอดจะไม่ซี่โครงังไม่ขาดไม่ไ ม, ไม่ไม่หักได้ยังไงเก้าสิบเก้าสิบแล้วเล่นปัม้มมีปัม้มยิซี่โครงก็ต้องหักเลยเห็น mm hmm. ไหมถามว่าทรมานะ mm hmm. ไหมเห็นไหม อยากเป็นอย่างนี้หระเนี่ยเป็น ก, <c oughs> ก็บอกไว้ <c oughs> เขียนเอาไว้นะอันเนี้ก็เป็นนั่นว่าเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างจริงที่อยากจะฝากเอาไว้นะอันนี้เราเตรียมตัวนะนอกจากการเตรียมใจนะแล้วก็ที่อยากให้ทําอยู่เสมอนะคือระลึกถึงความตายอยู่เสมอนะเรื่องมรณสตินะลึกถึงความตายทุกวั น, น <c oughs> ถึงเวลาตายให้ตายสงบอ๋อแล้วก็ได้เวลาแนละ้ว <c oughs> จะมีคำถามเลยหรือเปล่ามีคำถามถามข้อของข้อถามครับถามถามอาจารย์ครับโอกาสที่ดีนะครับจะได้ถามได้เพราะว่าเขาจะเป็นแกนนาไปถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่ได้มานะครับอไออนี้นลง่าแต่ไม่ได้ทำนราารแต่แต่บอกกหมอจไ้ยได้ แต่คุณหมอที่ที่รักษาประจำไปแล้วว่าไม่ให้ทำอะไรได้แต่ว่ามีปัญหาอยู่มันก็รับปากอยู่มีปัญหาอยู่สองข้ อ, อ, อ, ขอหนึ่งหมอในเมืองไทยไม่สำคัญหน้ออาญาติหมอบอกไม่ปัลมแต่ญาติบอกจับปัล์มเนี่ยก็บอกญาติอ่าบอกญาติสองเราไม่รู้ว่าถึงเวลาเราป่วยเนี่ยเราจะอยู่ในมือหมอที่เราบอกหรือเปล่าอาจจะเป็นหมอคนอื่นก็ได้ เราชนะเนี่ยต้องทําเป็นแล้วเราสอนแล้วก็อัดสําเนาวไว้ในเวชร ะ, ะเบียนของโรงพยาบาลนะเรามีเวชร ะ, ะเบียนในในโรงพยาบาลไหมอัดสําเนาวไว้นะติดตัวเราบ้างแล้วก็ไปไว้ที่รถเวชร ะ, ะเบียนพอถึงเวลาเขาจะตรวจเขาจะเขาจ ะ, ะารักษาเราหมอหมอเจ้าของไข้ไม่อยู่หมอที่รับพูดไปอยู่แต่เขามาเช็คดูออนี่เราบอกเอาไว้เราเซ็นเรียบร้อยมีเอกสารพร้อมเขาก็จะไม่ทํา แต่ถ้ า, าไม่มีนะแล้วหมอเราไม่อยู่นะเราไปอยู่ในมือหมอเวนะนะกางดึกเราต้องรีบทำไปทันฐันนะเขาก็ต้องก็ต้องปั๊มอนะไระอ่าก็ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าให้ชัวร์นะเนี่ยเขียนไปแล้วสอนติดไว้ที่วเวชระเบียนด้วยอืม อาจารย์ครับนี่คนละกลุ่มใช่ไหมมาจากโรงเรียนดราคาีครูเกษรที่ทุที่ตกปลาจำลองวาำลองไม่ได้ไปมาแล้วอะเชิญโอ้เรามีใหญ่นะยวขอไม่เข้าใจง่ายๆคือว่า อย่าไปยึดมันถือมันกับอะไรทั้งสิ้นเอาง่ายๆจริงๆมันต้องอธิบายยาวนะเอาพูดง่ายว่าไม่ไม่ไม่ไปยึดมันถือมันกับอะไรอะไรนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมันถือมั่นกับอะไรอีกพูดสันส้นๆนะ เอานะเาเท่า น, นี้แหละนนักเรียนผู้สูงอายุนะครับมีจิตเป็นจุสนที่จะสมทบ่ อ, อปัจจัยเพื่อสนับสนุน